أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا بينهم وبين القبر التي بعثنا فيها ق ر ى وجعلنا بينهم وبين ا ل ق ر آ التي باركنا فيها ق ر ا باركنا فيها قران غيروته و ق د ر ا فيها ا ل س ي د باركنا فيها قران غ ر و ت وقدر نافيها س ا ر س ي ر و ا فيها ليليا ا و إ ج ا ب آمين.سيروا فيها ليليا ا و إ ج ا ب l uh o -huh. جعلناهم أحاديث ََ و َ a z d a ْ ن ا ه م كل م m َ z d a إن في ذلك آيات لكل صبّر إن في ذلك َ آيات لكل และทั้งที่ศัต د ูของพวกเข ل ทั้งี่วั้งี ฟัตตะบะอู ن َลลาฟริกะมิน ا ه ه الله ل ล ح ุ م ินิัสมัล ل อ ن َ م ْอَ์รำَานَุรหีบอิน ه ُลฮะَดั س ลิลลาห์นะฮ์มดุห์วะนัสต ه า ل َหุวะนัสตักฟิร์ห์วะน้าอุบิลลอฮ ن ْินชِรุร์อัลมุฟซินะวะนินซียะติอัลมาลินะไ ه ้ยัลลิลลอฮฺวัฟลามุดลลาห์วะมายุดลิลวัฟลาฮัลَ ل َห์ و ا าชดว่ ل อิ ل ะอั ا ล ل ฮฺอ حد ه ฮฺ شركلا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم ب ك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ ت َ م َ ا ت ِ مِن شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س ر و ء ر ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار و عذاب في القبر اللهم u ma'afini fi badani ي a a f i n i fi s ف m m a y wa'afini fi b a z z و ب ح م د ه ع د د خلقه و, و ر ض ا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يحيي ا ق ي و م برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف ة عين พัสบิยา الله ونعم الوكيل ا ل س ل พี่น้องที่ร่วมนมารสุบฮุที่มัสยิดของ a ล l a h ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการเนี่ยตับซีร์อัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับด้วยความเมตตาของะูัลลอฮ์พี่น้องต้องนึกถึง a ล l a h ต้องขอบคุณ a l l ต้องเชื่อมโยงกับอัลลอ์เอาหัวใจนะครับเชื่อมโยงกับอัลลอ์เมื่อเชื่อมโยงกับอัลลอ์แล้วก็ให้สารเสิรินอัลลอ์ให้พูดชมเชยยกย่องสุนดีถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ให้เรากล่าวภาษาที่ิ่านนบีสอัลกอฟิสุบฮานอัลลอฮ์ลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลลฮิลลอฮ์อัลลอฮอักบรสุบฮานัลมอลิกินคุดุสอัสตัฟ al ิร il allah, ุลลอฮ ลา حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده ل ا شريك له ا حولكو ولا ح م د وو على كل شيء قدير นี่เป็นบทด ع ا ء สั้นๆนะครับที่ท่านนบีนี่กล่าวพูดชมอ้อนแลวสอนให้อุมาของนบีทั่วโลกเนี่ยให้ยกย่องสรรเสริญอ้อนโดยใช้ภาษานี้แหละดีที่สุดสิ่งที่ได้รับก็คือหัวใจสงบ โรคเครียดไม่มาดีไหมโรคเครียดไม่มีพี่น้องครับนี่และเรอยู่กับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์นี่พี่น้อ ง, แ ล, อ All ame, องและอีกย่างนึงเอาเอาชื่อเอาโลกในประเทศแล้วก็แข่งข้ากันแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่เป็นสูตรนะที่อั All ลลอฮ์วางไว้ในใครที่เอาโลกดุนยานําหน้าโลกอาฟิรา่าในครอบครัวก็ทะเลาะกัน ไม่มีใครยอมใรหกเพต่างคนต่างเก่งทั้งหมดละวันนี้จะมาจะนั้นถ้าเอาโลกอาคีรอนนาหน้าเอาอิสลามนําหน้าเอาอิมาน์นำหน้าเอาตักวานําหน้าเอาอียัสานนําหน้าการให้อาภัยก็จะเกิดตามมาสงสารเมตาก็จะให้จะเมื่อจะนํามาการบริจาคไปน้องมันก็จะตามมาเต็มเป็นบทถ้าเอาอะไรนะเอาดุนยานําหน้าปัญหาตามมาเต็มเลยแต่ถ้าเอาอาคีรอนนาหน้า อะไรอรมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีก็นนะครับก็ลองสำรวจดูนะขอบคุณเาลอนะครับที่เราได้ทบทวนกุรานมาถึงสุรศรบาสุรศ์ที่สามสิบสาเไรเนี่ยสามสิบสี่แลหรืนะครับก็สามสิบสี่ปีพอดีเนี่ยนะอันี้เฉลิมจำดีสาี่ปีนั่นะะทำดูลินแล้วรอเนี่ยไม่ช้าก็จะตายกั่เราเนี่ย อายะสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วนะครับกาลิกาจายนาหุมบิมากะฟารูวะฮ์ลนูจาซีอิลลัลกะฟูรตรงนี้สรุปนะไม่มีโทษอะไรไม่มีบาปอะไรที่ใหญ่หนักกว่าการเนรคุณ การเนรคุณเนี่ยนะเนรคุณกับอลัลลอฮ์เนี่ยบาปใหญ่มากการลงโทษเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนรคุณแต่เนี้ยหมัดของ อ, อัลลอฮ์เนรคุณแต่มนุษย์ด้วยกันเองเอัลลอฮ์อัคราการเนรคุณเนี่ยในะอิสลามไม่อนุญาตให้แล้วก็เตือนสม่ำเสมอนะอย่าเป็นคนที่ใจเนรคุณต่ออลัลลอฮ์อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่อย่าเนรคุณต่อญาติพี่น้องอย่าเนร ต่างคนต่างนอบ น, น้อมถ่มตนซึ่งกันและกันนี่อิสลามสอนนะครับฉะนั้นไม่มีไม่มีโทษอะไรที่จะหนักไปกว่าโทษของการเนรคุณแต่ายานี้ยานี่สิบเก็ดเนี่ยลานาหุมมากาเราจะเราได้ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาเนรคุณนี่กุอานพูดชัด แล้วก็พูดอย่างเนี้หลายครั้งนะครับเราลงโทษเขาเพราะเขาเนโรคุณเอา้าน้ําท่วมในะสมัยเดบีนวัวเพราะคนในสมัยนะั้นเนรคุณใช่ไหมทําไมฟาโร่จมน้ําตายเพราะเนรคุณใช่ไหมกอโรนถูกแผ่นดินสูบเพราะเนรคุณใช่ไหมแต่ไม่หมดเลยเนี่ยเทานั้อ่านกุณอ่านแล้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้ปัญญาโอกแล้วเราวันนียเราเรียนจบด็อกเตอร์ก็มีปัญญาโทก็มีเอกก็มี คิดตอนนี like <c oughs> ้ออกเลยถ้าไม่อ่านกูอานอีกคิดไม่ออกครับอาขอบกูนอ้อนนะครับวันนี้มาอายที่ิบแปว่าเจรนาบห์นฮุมวะบนลกุรอลทีบารัน้าฟิฮกุรันลลฮิรอวกดดาร์นาฟิฮัสไร سيُفِيها ل َ ي َ ا ل ِ ي و َ ي َ م ا ن م ِ ي ن وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ق ُ ر آ ظَاهِرٌ ว่าก็ด ا ร์นาฟิฮ <sa> <wh> ัสไ ي ร์ซิรุฟิ ا ل ลาย ا ลิยาและอิยาห์มันอามิญินอทุกทุกอักษรมีความหมายหมดเลยมาดูอายะนี้ต้องการจะสอนอย่างนี้หนึ่ง เมืองซบะเนี่ยนะประเทศซบะเนี่ยเมืองซบะอยู่ในประเทศอะไรยเยเมนยังอยู่นะ้องไปเที่ยวดูดินะเมืองซบะยังอยู่ละเหตุการณ์นี้นะนตับเิตอธิบายบอกว่าเกิดขึ้นก่อนนบีอิสลาฮิสลามปัญหาที่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะคนมันทรยยศ ต, ต่ออัลลอ์เนี่ย สมัยนบีอีสาก่อนนบีอีสาใช่ไหมนบีอีสาก่อนนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนบีอิสากับนมูฮัมหมัดเนี่ยห่างกันประมาณห้าร้อยปีนะ <c oughs> สี่รอห้าร้อยปี <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะเกิดขึ้นสมัยนะครับ <c oughs> อะไรฮะก่อนหน้านาบีอีสาอะเลฮิสสลามด้วยอยัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังเรื่องประวัติต่างๆเนี่ยเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟัง สอนอุมม่าท่านเนี่ยอย่าอย่าให้คนในยุคท่านเนี่ยทําตัวเหมือนคนในยุคก่อนอเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่สองอัลลอฮฺให้เมืองชามนี่เล่านะเรื่องเมืองซามกันเยเมนกับเมืองชามเนี่ยเขาไปมาหาสู่กันติดต่อกันแบบสะดวกสบายใช่ไหมสมัยก่อนนั บ, บีุลเียสานะเสร็จ แ, แล้วก็ เมืองชามเนี่ยมีเมืองเมืองเล็กๆๆๆๆๆๆประมาณ 4,700 กว่าเมืองตั้งแต่เยเมนมาเลยเนี่นะเยเมนล้าก็เล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็ๆเล็กๆนะครับแล้วก็ 4,700 หัวเมืองเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ยุงไม่มีแมลงวันไม่มีตะขาบไม่มีแมลงป่องไม่มี สัตรายที่จะทําอันตรายกับประชาชนไม่มีหลังอากาศโอ้โห อ, อักบัตรบริสุทธิ์สะอาดผลไม้เนี่โอ้โหอักบัตหวานอร่อยอัลลอฮ์ก็เล่ลาให้เราบีฟังคนตรงนั้นนี่ยเป็นองการอัลลอฮ์ให้เขาเรียกว่าให้บารักัดกับชีวิตของพวกเขาตนากก้นไม้ก็งอกงามดีแล้วก็สวนกว็กดีแล้วก็เดินไปสวนนี่จะมองไปสวนทั้งหน้าอีกโอ้เป็นหมู่บ้านที่สวย ติดต่อกันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องพาอาหารไปถ้าจะเดินทางนะไม่ต้องพาอาหารไปไม่ต้องพาน้ําไปไม่ต้องพาที่นอนหมอนมุ้งมีที่นอนระหว่างทางในอดีตดีมากครับเล่าให้นายพุฒมัดฟังนะเรื่องที่สามนี่แหละไม่มีแมลงวันไม่มียุงไม่มีงูใช่ไหมมีหัวเมืองเท่าไหร่ สี่พเจ็ดร้อยกว่าหัวเมืองเีุ่ทับซิษอธิบายอย่างนี้เอมามาดูมาดูมาดูกูอ่าน <c oughs> วะยะนาใบนาหุม ja ย ah um. ะอันตูยะอันนาแปลว่าเราได้ทํามายถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยได้ไ ด, <c oughs> ja <c oughs> ได้ทำให้มีขึ้นอวะยะนาเราได้ทําให้มีขึ้นใบนาหุมระหว่างพวกเขา ประชากรมีเท่าไหร่เราไม่รู้คำว่าเดวอธิบาเยาวา่ประชากรมีไมมมีอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเราลองอ่านดังไม่รู้ใช่ไมเราเราได้ทำให้มีขึ้นในระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเขาเหล่านั้นว่าใบนัลกูรอกูรอนายถึงตำบลเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆกูรอไปว่าตำบลนะ เราทำให้มีตำบล อ, อย่างเนี้ยคอนกรีตหมู่บ้านมิตรภาพแล้วอะไรนะหัวปลา<ม>แล้วก็ทางควายได้ไหมไม่ใช่แบบนี้ดีกว่านี้มีตำบลต้นไม้รอเดินถนนหนหนทางเนี่ยเดินสะดวกสบายจะไปทางควายนี่สบายมากเดินไปจะไม่ล่ะเที่ยวด้วย<ม>อะไรด้วยเห็นไหมนี่ล้อ เ, <ม>เล่าให้ฟังนะท่า น, นเราจัดให้นะ คนในยุคก่อนนั้นแล้วต่อมาครับอันลตีบารุนาฟิฮานี่พูดถึงเรื่องว่าหัวเมืองต่างๆตั้งแต่เมือง เ, องเยเมนไปถึงเมืองชามเลยนะเึืองรัฐสิเรียปัจจุบันนี้แหล ะ, ะเป็นเมืองเล็กๆเมืองตะมูล ต, ต้นไม้งอกงามสมบูรณ์ยุงมีไห ม, ม, ม, มไม่มีมแมลงป่องไม่มีเดินสบายมาก อัลลาฮิบารอกนาฟีฮ ok ่ ha. ซึ่งเราได้ประทานบรารักัดให้กับหมู่บ้านนั้นทนี่ยลอเล่าเองนะบารากัดอธิบายยังไงไม่มียุงไม่มีงูไม่มีสัตว์ร้ายมัวบนต้นไม้มีอะไรนะมีผ ล, ลไม้แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็แดดไม่เคยถูกเดินไปนี่แดดแดดไม่ถูกตัวนะมีไม้ พุ่มร่มอัลลอฮ์ลลอาคสบายจริงๆิเนี่ยเรา่าให้ฟังนะเร า, าฟ้ฟังเราให้พวกเราฟังกูรนกูรนแปลว่าตำบลต่างๆรอฮิร์ที่เห็นได้ง่ายรอฮิร์แปลว่าเห็นง่ายๆเดินอยู่หมู่บ้านนี้มองไปน้องบอนเห็นอ่าอยู่น้องบอมาของเคสมองเห็นจาก มองเทตมองปฏิวหัวป่ามองเห็นเป็นหมู่บ้านสวยต้นต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่อรารย์เล่าให้น บ, บีฟังนึกภาพโอ้ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ว่าก็เจรนาและเราได้กำหนดนะฟีฮาในหมู่บ้านต่างๆนั่นน่ะนะอาศัยหรอการเดินทางอ่าเได้ไหม การเดินทางเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งนานแล้วเป็นศาสนานะการเดินทางเป็นศาสนานะบางคนเดินทางไปได่วาวะอิสลามอัลลอ์ผลบุญเยอะมากเลยไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมแม่ผลบุญมีหมดเลยอยู่ที่เนียดเนียตอะไรอ่ะถ้าเนียไปจีผู้หญิงเออก็ได้บาปไปไปทำธีนามเมืองนั้นโอ้โหเ ข, ขานงกับอาหารอร่อยอ้าบาปไปไอ้คนที่เนียดศาสนาเนี่ยมีไหมมี วก็ดลนาฟิฮัสไยและเราได้ให้มีอะไรนะกำหนดการเดินทางในนั้นที่ให้สวนมีให้หมู่บ้านมีตั้งเท่าไหร่ 4,700 รอหัวเมืองให้คนได้เดินทางกันเห็นไหมการเดินทางมีมานานยังโอ้โหมีมานานแล้วเอามาดูการเดินทางสมัยนบีมุฮัมมัดสลละสลัม ในกุรานคาว่าซีรูเนี่ยจมเดินทางนะมีทั้งหมดเจ็ดอายะในสุลต่างๆนะเจ็ดอายะเดินทางไปทำอะไรอุลมามะได้อธิบายว่าการเดินทางมีอยู่เวลาเดินทางตง้ต ง, ตงเนียดก่อนนะนบีสอนนะเนียด์ทำงนานศาสนาเนียดไปพบประคาชคนนี่แหละ เราตั้งใจลึกๆฉันจะสอนอิสลามนเพื่อไปเตือนเขาให้เขานามาดให้ทำโน้นทำนี่เรื่องดีๆทั้งหมดนี่แหละนี่เรื่องเรื่องอะไรเรื่องการเดินทางทีนี้ในยุค ข, ของนบีหมดัดในการเดินทางเขาให้สำรวจดูประมาณห้าหกรายการทีหนึ่งไปดูภาษาเขาเล่าเกาอยู่เพาจะ พ, พ, พูดภาษาอะไรสอไปดูผิวผิวอาประชาชนที่เราไปเมืองเมืองนั้นอ่ะผิวสีอะไร ก็ชี้นำหมดเลยนะเราต้องมาใชา้ปัญญาเลยนะเรื่องที่สามดูไรบ้างดูหนึ่งดูภาษา 2, สองสีผิวสาบ้านช่องบ้านเขาก็ปลูกกันยังไงเหมือนบรรเราไม่อะไรไหมนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนะแล้วก็นิสัยของคนเป็นยังไงนิสัยคนสังเกตนะแล้วข้อที่ห้าเนี่ย อ, อ, อะไรนะบ้านเขาเนี่ยบ้านมันเขาเคยถูกทำลายไหม เคยถูกฟ้าผ่าไหมเคยถูกน้ำท่วมไหมเคยถูกอาสาบไหมต้องไปดูเฉะนั้นเราจะเดินทางไปไหนเนี่มันจะเดินทางนึกแต่เซ็กเซ็กอย่างเดียวหาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอาหารอาหารสองอย่างแ ต, แต่นี้ท่ที่อลัลมาดาอลุาอลมอลม า, อ, ลมาอิสลามเนี่ยเขต้องการจะให้สอนพวกเราว่าการเดินทางมีเป้าหมายหนึ่งเพื่อ อ, อิสลามสองก็ดูคนหนึ่งข้อสองข้อสามขสีเป็นต้นอย่างนี้นะครับอย่าไปตำหนิใครไปเนาะ เป็นข้อเตือนใจเราทั้งหมดเลยนว่าก็เดินนาฟิฮัสไซและเราได้กําหนดการเดินทางในนั้นคือการเดินทางเป็นอย่างนี้เป็นระยะระยะพักตะบล น, นี้ก็ได้ระหว่างทางนอนตรงไหนก็ได้มีอาหารการเกฑนสมบูรณ์จะเดินมาเมืองไทยจะเดินกันโลกนี่นะจะเดินกันทั่วร์โลกทั้งหมดนี่แหละเอาต่อมาครับ ซีรูนี่อรรรษังแล้วซีรูฟีฮาจงเดินทางทการเดินทางเป็นศาสนาทเนียด ท, ทเนียดทเนียดสะอาดฉันเดินทางไปพบพ่อฉันอยู่จังหวัดระยองอเดินทางเลยพี่นอ้องเอาพาเสือนอมาไปด้วยก็ได้นมากกลางทางใช่ไหมมันต้องนึกแบบนี้ไปเยี่ยมมะเราไปเยี่ยมญาติพี่น้องเราอยู่จังหวัดตรังอ้าวไปเลย ใช่ไหมขับรถไปไปขครงบินก็เชิญตามตามความสะดวกซีรูอันนี้เล่าเรื่องในอดีตฟีฮาจงเดินทางในเมืองนั้นลายาเลียกลางคืนก็ออกจากบ้านก็ได้ทำไมต้องคุยเรื่องกลางคืนลายาเลียไปว่ากลางคืนเพราะว่าไม่มีโจรไม่มีขโมยจะออก จากบ้านในช่วงไหนก็ได้ปลอดภัยหมดเลยนี่พูดจ ร, นะริงๆนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺเนี่เมตตาเพราะคนคนนั้นนั้นยังมีาศาสนาอยู่มีนบีมากี่คนนะส3บสาคนมาสอนนะนะฉะนั้นเดินทางออกจากบ้านตอนกลางคืนได้ั้มได้ว่ายามันแล้วก็ตอนกลางวันก็ได้ด้วย ไม่ว่าจะออกนอกบ้านกลางวันกลางคืนไม่ต้องเอาตำรวจมายืนเฝ้าออบ้านอย่างปัจจุบันนี้กันทงเทียมีใช่ไหมมีตำรวจมายืนเฝ้าบ้านใช่ไหมต่างจาังหวัาใช่ไหม <c oughs> นี่ภาพเก่าๆอาลัลลอฮฺแสดงว่าคนในยุค น, นั้นเออนี่อัลลอฮฺอัลกุรอนอาเมนแปว่าปลอดภยัยอาเมนปลอดภยัยที่ต้องการจะเล่าว่านี่เป็นเนื้อหมัด อ่าที่อลัลลอฮ์มอบให้กับคนในยุคนั้นกี่รายการอาอรออักบาตหลายรายการมีหมู่บ้านเล็กๆเล็กๆมีต้นไม้เต็มไปหมดเท่าไรสี 4, ่พันเจ็ดร้อเอาเที่ยวไปสิตกลงว่าคนสมัยนั้นนียนะเดินทางอย่างเดียวก็มีผลบุญแล้วแต่เนียตสะอาดไหมต่เนียดสะอาดไม่ใช่เนียรสุขภพอย่างนี้เป็นต้นนี่อลัลลอ์เล่าให้นบีฟังแล้วต่อมาเป็นฮงซา ม, มันเป็นไง คนมันเบื่ออล้อเบื่อไม่เอาไม่ถูกแดดเลยจะไปไหนมาไหนไม่ต้องพาหารไม่เอามาต้องพาน้ําไม่เอาเดินไปมีที่พักพอดไม่เอาจะเอาแบบมีทะเลทรายได้ให้ทะเลทรายปัจจุบันเนี่ย <laughs> อยากมีทะเลทรายอยากมีแดด อยากจะมีภ า, ภาละพาไปมีน้ําบ้างมีอาหารบ้างมีเป้ไป โ, โอ้โหแล้วก็แข่งกันเป้ใครจะสวยกว่ากันใช่ไหมตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเใช่ไหมล่ะแข่งกันอยากจะมีแดดอยากจะถูมแดดใครว่านะร้อนแรมเรื่อยไปเรื่อยไ ป, แ ล, ยไปแล้วที่พลังอานปชาชนแหละวันนี้พลังเดินทางกั น, กกนใช่ไหมแก่พากันไปมินแถวยใช่ไหมที่ข น, นามบินบนเครืงบินเราเห็นแล้วก็เครียด อ, อะไรตัว ถ้าเราไม่อ่านคุรอานเนี่ยเราไม่รู้พอ อ, า อ, าอา่อานคุรอ่านอโอ้ระบบ ก, การเดินทางเนี่ยไม่ใช่พึงมีในสมัยนี้มีมันสมัยอะไรสมัยนู่นก่อนนบีอีซาจะมาแล้วเดินทางกันมาตลอดแล้วก็บ้านเมืองก็สงบใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเป็นไงรู้ไหมขอดวงอาตอลอรับดวงอาเลยอยากมีทะเลทรายทําไงหรือเปล่า จะให้มีทะเลสรายเอาลอ่อให้เอาน้ำเขือนอะไร อ, อารอมใช่ไหมพังลงมาแล้วก็มาทำลายสวนหมดเลยแล้วก็พอสวนตายดีเข้าไปในบงในบ้านบ้านพังหมดคนอาจจะหนีได้ใช่ไหมละ่ะพอเสร็จแล้วคนทรยศต่อขอดูอาอยากได้นวนไอ้ที่ให้เนี่ยไม่พอใจ นี่ตองการจะเตือนพวกเรานะเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามีอย่างนี้เราต้องพอใจอย่างนี้อย่าไปโลภมากกว่านี้อัลลอฮ์ให้บ้านหนึ่งหลัง ม, มีคนหนึ่งมามีลูกสี่คนมีรถอยู่สองคันมีการศึกษาอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตำรวจดูตัวเองเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์หรือยัง Allah, อัลลอฮ์อัลบาต์ น, นี่นี่ น, นี่อาญาณีนะัดเตือนด้วยเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมแค่นั่นจะให้หมู่บ้านเราดีกว่านี้อยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยนะ เปลี่ยนแปลงนิสัยคนก็เปลี่ยนได้ไมั้ยได้จะให้คนเลวกว่านี้อยู่ที่ตัวเราเราวันนี้กพี่อเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอ์ให้นู้นให้นี้มาแล้วพวกนี้พอใจเปล่าไม่พอใจต้องการอยากจะได้ทะเลทรายอยากได้แดดเหมือนใครเหมือนยาฮูดีที่อัลลอฮ์ประทานอัลมัณโนวัซลวัวใช่ไม้มให้นกคุมมาพอตื่นเช้ามาเนี่ยนกคุมมาเลย อะไรอย่างเดินอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไปเสียหาเลยไปหยิบมาแล้วมาเชื่อดมาทอดกินเลยพอกินอิ่มแล้วมีคนม ห, หวานจากไหนนะจะกชั้นฟ้ามาอีกคนยาฮูดีบอกว่าคนยิวบอกว่าโอ้โหเอาล่ะเบือ่ออยากกินผักอยากกินพริกอยากกินผักอยากกินอะไรต่ออะไรอีกเอาล่ะเอา้เอาไปอยู่เมืองนูฉะนั้นคนวันนูน้นกับยาฮูดีนิสัยเหมือนกัน เมื่ออยู่สบายแล้วคอนที่จะขอบคุณอัลลอ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์กับขอหมยอัลลอฮ์จะฉันเบื่อตรงนี้อยากได้ของใหม่ๆที่มีกว่านี้อัลลอ์ Allah, ก็เลยให้เป็นทะเลทรายให้น้าเขือนลงมาพังลงมาต้นมาตายไหมตายแล้วก็เหลือต้อนเล็กๆเรา ก, ก็มีอะไรนะผลไม้เคยหวานกลายเป็นอะไรขมเมื่ออาทิตย์แล้วเราพูดถึงขมได้วหมแล้วก็แกล้น มีต้นผู้าเล็กๆน้อยๆเอ้าเห็นอย่างฮะตอนี้นี่เดินเจอเจอแดดทั้งวันแล้วเนี่ยเจอทะเลทรายเจอแดดค่อยให้เนี่ยมาดอย่างดีมาทรยศต่ออาลอลเลยขอได้ะเลทให้ทะเลทรายเอ้าเอาไปตอนนี้คนในทะเลทรายก็มามาเมืองไทยก็ชมเมืองไทยอีกเมืองไทยมันมันน่าอยู่จริงๆเลยทะเลทรายอารมอับับไม่ดีเลยเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวเราเขาเล่นการ์ตูนแต่ยุคนี้อารอล ป่อยปล่อยปะวิ่งไปวิ่งปวิ่งเวลานี่เห็นแล้วนะคนนี่นะต้องการจะเตือนนะให้ก่อนนะอ่ะออายาเนี่ต้องการจะเตือนว่าเมื่อ a l ะ a h ประทานอะไรให้เรานะเราต้องพึงพอใจในความเมตตาที่ Allah ให้กับเรานะครับแล้วก็ซาบัดอดทนถ้ามีปัญหานี่เป็นคําเตือนจากอายานี้นะครับเอาต่อมาครับอุลามาได้อธิบายบอกว่า เดินทางทางกลางวันกลางคืนนี่นะไม่พบกับความลำบากเลยไม่ต้องไปเอาตำ ร, รวจมาเฝ้าบ้านโจรขโมยไม่มีไม่ล็อกกุญแจก็อยู่ได้บ้านมันมีข้าวปลอดภัยถึงขนาดนั้นมันยังเทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เลยอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮ์ดีไะพ่ดีอัลฮัมดุ ล, ลิลลา์ต่อมาอายาที่สิบเก้าครับฟะกูลูรับบนาบอิด ใบ ن าสฟารีน <t> ่าว่าวล ن ف ูอัลฟุซาห์ฮุมฟาจัลนาหุมอะฮัดิสวามัซจาคอนันนั้นจากรสิก ومزقناهم كل مزق م إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور الله أكبر فقالوا ربنا ب ع ِ د بينا أسفارنا วَราะลาََุะมَุซาฮุมฟَจَลลัลน و َ م َอะฮัดิสวามัซจาคนาฮَม م َลَามุมั إِنَّ فِي ذَلِكَ ل َ آ ي َ ا ت ย ل ์ลาอัยติลลิคุลิَับบารินชักูร์ฮ ل มดุลลอ อายานี้อธิบายอายาที่แล้วนะเมื่ออัลลอ์ให้ให้เมืองมีบรารักัดไม่มียุงไม่มีขโมยดีไหมดีไม่เอา้าเบือ่อเนี่อัลลอฮ์เล่าอ่ะนมันเบือ่อยกเว้นคนกลุ่มเดียวที่ไม่เบือ่อคนที่มีอ ي ่า ن ต่ออัลลอ์าดูคำฟากอ้อลูพวกเขาขอดูอา ขอตัวครับขอว่าไงนะรอบงนาคแต่พระผู้อภิบาลของเรา บ, บาอิดบาอิดแบบว่าไงนะจงโปรดทำให้ไกลโปรดทำให้ยืดยาวโปรดทำให้เมืองที่มีอยู่เนี่ยมันเห็นเห็นกันใช่ไหมไม่เอา อย่าให้เมืองนี้เห็นเมืองนั้นไม่เอาให้มันไกลๆไปอีน่อยเรารอเล่าให้ฟังนะให้อยู่เมืองเห็นหัวเมืองกันใช่ไหมเจดพันสี่พันเจ็ดรอยหัวเมืองจะได้เดินทางสบายใช่ไหมไม่เอาไม่เอาให้มันไกลๆกว่า น, นี้หน่อยแล้วแค่เดินสองสามชั่วโมงถึงแล้วไม่เอาให้มันไกลๆกว่า น, นี้อีกแล้วมีทะเลทรายขั้นกลางอ๋อในขอนะ่ะ อัลลอฮ์รับอั Allah, ลลอฮ์ฝากขอรูขอรวนะรับบานนบ้อิดบายนะอสฟาริานาะอสฟาร์เป็นเจ้ามาคงสัฟารุนแบบว่าการเดินทางการเดินทางของเราให้มันไกลไกกว่านี้อย่าให้มันอยู่ใกล้ใกันตำบลและตำบลมันใกล้กันเกินไปให้มันไกลหน่อยแล้วมีทะเลสายกัน้น อร่อยจริงๆคนรุ่นก่อนเนี่ยนะตโตแแชร์โตแชร์ใช่ไหมค น, คนละประเทศคนละประเทศนี่เขาขอว่ า, อ, าอราไรรัจะไม่รับรับขอว่าไงร บ, บนาบ้ายจงทําให้สวนที่มีอยู่ที่เราเห็นกันไกลๆนย่นะ้นไม่เอาเอามัไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยฉันชอบเดินทางไกลามากกว่านี้อ่าแล้วก็ อัสฟาลินะการเดินทางของเราก็จะลำบากขึ้นในทุกอาเซียนหนึ่งมีอะไรนะอัลลอฮ์ก็ให้ไงต้นไม้ตายหมดน้ำท่วมมาใช่ไหมต้นไม้ตายมีต้นผู้ายเล็กๆน้อยๆแล้วเจอแดดแล้วเจอทรายมาแล้วแล้วต่อมาครับวาโรลาพอขอทุงอาภัพแสดงว่าไม่เอาเนี้ย ม, มาที่อัลอลอฮ์ให้แล้วสิ โรลโม่ u, เขาได้อารรมอัมฟูซหฮุมต่อตัวของพวกเขาเองอัลลอฮอับบัดิโรลมูทำไงหรือเปล่าคำว่าโรลมูเนี่ยอารรมต่อตัวของพวกเอ า, อ, าอธิบายอย่างนี้ไม่เอาผลไม้ที่ห ว, นหวานๆนี่ไม่เอาก็ที่อัลลอให้มาเนี่ยไม่พอใจแค่ไม่พอใจนะรเล็มแล้วนะ นี่ต้องกาจะอธิบายนะแค่ไม่พอใจเมืองใกล้ๆกันไม่พอใจผลไมห้หอมๆอร่อยอร่อยหวานหวานฉันไม่พอใจแค่ไม่พอใจเนี่ยมาที่อัลลอ์ให้อัลลอ์ด่ า, ดาว่าไงนะรอละมูเขากำลังสร้างความอาธรรมอัมฟุสะฮุมกับตัวของพวกเขาเองนี่สอนเราเอาลัลลอ์ให้ยิบรีลงมาอ่านกุอ่านให้กบีฟัง จากนั้นเนี่ยอามที่อัลลอฮ์ให้กับเราพอใจกับเนี่ยอมัดที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็น้องถ้าจะแสวงหาอย่าแสวงหาดุนยาแสวงหาอาคิรอเยอะๆเห็นไหมที่จริงในแสวงหาดุนยาเนี่ยให้ให้ตำบลมาตั้งต่างใดสี่พันเจ็ดร้อยแล้วก็เมืองเห็นเห็นเห็นไม่เอาเอาห่างๆนี่ก็เหลม้ยงแหละเห็นยัง นี่นี่สอนเรานะฉะนั้นอย่าออย่าได้อย่ า, อย า, อย า, อยารอเลมกับตัวเองบรรดาซอฮาบานาบี็ขอขอมาอย่างนี้ um um อัลลอฮุมม a j e a n i musluman โอ้ล l l a h ให้ฉันเป็นคนที่ถูกรังแกเถอะดีนะไม่ดีละรอนเลมันอย่าให้ฉันเป็นคนที่รังแกคนอื่นครูภาษานี่ดีมากนี่ซอฮาบานาบีนะอยู่กับนบีเนี่ยได้บทเรียนอะไรเยอะ จะพูดจาๆใช่ไหมอัลลอฮฺจะให้ฉันเป็นคนถูกรังแกเธอถูกกานแกล้งเธอคงจะเห็นภาพนบีที่ไปเมืองตออิฟใช่ไหมล่ะไปเพื่อเนี่ยดาววะอิสลามนี่นะถูกรายถูกสามเรื่องถูกด่าใช่ไหมถูกไล่ถูกไรถูกคว้างด้วยหินนี่นั่นถูกรังแกใช่ไหมเนี่วันนี้นะคนที่เมืองตออิฟเนี่ยก็ผมพบกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขามาเที่ยวเมืองไทยนะ คุยกันเขาบอกเขานี่เสียใจคนรุ่นใหม่เนี่ยนะที่ปู่ย่าตายายเขาเนี่ยไล่นบียังอะเรื่องตั้งพันสี่ร้อยีเขายังเสียใจว่าปู่ย่าตายายเขาเนี่ยไล่นบีด่านาบีเอาหินคว้างใส่นบีแล้วก็วันนี้เขาต้องการจะให้ลูกหลานเขาเนี่ยเรียนาศาสนาเยอะๆะเพื่อที่จะเลบมันขออุอาให้โตแชร์เขาในสมัยนั้นเนี่ย ที่ด่านะบีไล่นะบีเอาหินความนะบีขอรัวอัลลอฮ์อัอลอลอฮ์จะให้อภัยในความผิดของพวกเขาด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยกุณอา่านเลยนะสอนเตือนเรานะให้เราเป็นคุณที่อะไรนะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์อลัอลอลอฮ์เนี่ยใครให้สวนสบายสบายอยู่แค่ไม่อยากได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะร้อเลมมีพ่อไม่เคารพพ่อเนี่ยร้อนเลมเปล่า ย่อเลมมีแม่ไม่ไม่ให้เกียรติแม่อีกย่อเลมนะมีญาติพี่น้องทั้งหลายคนตัดขายกันหมดเหลือไม่กี่คนนี่ยอเลมนะเนี่ยทั้งหมดนี่เอาล่ะครับว่มีเด็กกำพร้าไม่ไม่รู้ไหนเขาเองย่อเลมนะมีคนยากคนจนในหมู่บ้านไม่เคยควักกระตังไงเลยเองยอเลมนะที่เตือนเราใช่ ไ, ไมว่าก็ละมูอานฟูซาฮุม พวกเขาลอนนั้นทำต่อตัวของพวกเขาเองทีนี้เรื่องในอดีตเนี่ยเราเล่าเลยนะฟาจาอัลนาบัยนาฮุมอะฮัดีฟาจาอัลนาบัยนาฮุมอะฮัดีฉะนั้นเราจึงได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าอ่า นำมาเอาเรื่องในอดีตเนี่ยมาเล่ากันที่เราเล่าตะกี้นี่ไหมเล่ากันในมัสยิดเราวันนี้เรื่องในอดีตอัลลอฮ์ให้แค่นี้แหละเองมาเล่าเวลาเราเล่าเนี่ยเราเล่าดีหรือว่าเล่าเล่าเล่าเล่าไม่ดีเล่าไม่ดีไงนี่ถ้ามันฟังยิ่งจะเสียใจนะเลาและฉันเก็บเรื่องของคุณที่ทรยศต่ออัลลอฮ์วันนั้นน่ะเอามาเล่าหลังจากคุณตายไปแล้วนะกี่พันปีไม่รู้นะมาเล่ากันที่สุเหรานี้ มาเล่าการตามมันจะลืกต่างที่ประชุมต่งตางเป็นแค่เรื่องเล่าเอง<ม>เห็นไหมแต่ส่วนใหญ่จะเล่าดีได้ไม่ดีล่ะก็ น, นึกเอาเองคนทรยศต์อัลลอฮ์อยา่อยางเวลาเราเล่าเรื่องฟารโรหนี่เราเล่าเรือว่าดาัาเล่าเรื่องฟารโรเรื่องกอรูณที่แผ่นดินสูบเนี่ยวลาเราเล่าให้มีเราฟังให้ลูกฟังอนะ่ะเล่าแบบชมหรือว่าตำหนิ เล่าทีนึงก็ดาทีนึงอ่ะฉะนั้นควายนาใบนาุานามอาหารดีเราได้ทําให้เรื่องของคุณในสมัยนั้นนะเก็บเป็นเรื่องเล่าขานกันคุยกันในที่ประชุมเห็นไหมดีต้องไหนอ่ะ <c oughs> แต่พวเล่าประวัติของนบี Muhammad เล่าชมหมดเลยใช่ไหม <c oughs> นบี Muhammad เคยไม่ร อ, อรอถอหล่อในเรื่องดีหมดเลยแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยก็เล่าไปในทางที่ไม่ดี นาอูซบิลลาฮิมิซัเลกฮามดุลิลลานะดีนะต่อมาครับว่มัสจาคนาฮุมกุลละมุมมัสจาตงนี้อันตรายนี่ล่าเล่านะว่ามัสจาคนาฮุมและเราได้กระจายเมื่อก่อนี้นะมันอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นจมาอดีรด้ไม่ดีดีหมดด้วยซอเลม ใช่ไมร้อยเล่มต่อร้อยใช่ไหมอาธรรมต่ออร้อยเนี่ยมาให้มาอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่บ้านใหญ่ๆมีครอบครัวอลัลลอฮฺไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันไม่เอาทรยศต่ออร้อยอัลลอฮฺก็เลยกระจายอาลัลลอฮฺเป็นน้องครับกระจายไปไหนครับอลัลลอฮฺได้กระจายพวกเขาเหล่านั้นนะครับไปอยู่ตาม ที่ต่างๆอย่างโดดเดี่ยวกุลละมุมาซักจนกระทั่งศูน0พันไม่มีใครรู้จักนอกจากเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองเอาแยกตัวไปไหนบ้างเปน็นรองครับว่ามัซักนะอุมกุลละมุมาซัเนี่ยบางคนนี่นะได้กระจายพวกเขาอย่างสร้นเน็นบางคนไปอยู่ที่ประเทศชามีเมื่อก่อนอยู่เมืองซบะดีนะ ต่อมาบางคนไปอยู่ที่มักกะอพยพต่อมาบางคนไปอยู่ที่เมืองยัสริปมาดีนะพวกเอสัอสคอซนะุร์จเนไปอยู่ที่มาดีนะเดีย๋ยวไปทะเลาะ ก, กันต่ออีกนะนบีมุฮัมมัดมานะ่ะเพื่อจะไปเปลี่ยนอ่าพวกเอัอสคอซุร์ให้รักใค ร, กร่กันโดยอิสลามฉะนั้นผลจากการทะเลายุติยศต่อร้อนนะ แทนที่อยู่กันเป็นยมราอัลลอฮ์จัดไปอยู่บางคนไปอยู่ประเทศชาบางคนไปอยู่มักกะบางคนไปอยู่ที่มาดีนะบางคนไปอยู่ที่โอมานปัจจุบันนี้เห็นไหมพี่น้องท่านยังครับนะ่ะกระจับกระจารจานะคนชั่วไปอยู่หมดเลยนะมันจะคนดีนะแต่อลัลลอฮ์เมตตามักกะเมตตามาดีนะเดิมนะ่ยอยู่จะ อ, อยู่ตรงนี้แหละพออัอฮประยุกต์อลัลลอฮ์มันจะพูดอพยุตนะมูมัซรักนะ เราถ้ากระจายพวกมันนะมุมมัซรักนีไ่ไม่ใช่ชมนาดานะถ้าจะถ้าจะชมจะพวกนี้ฉันใจฮิจรร้อนอ่านาบีฮิจรร้อนจากมะการนี่ยนี่ชมนะมุมมัซรักเนี่ยชันได้กระจายพวกคนไปอยู่ในที่ต่างๆมาได้พบหน้าพบตากั น, น่ะเป็นพี่น้องกันกูจริงอ่ะไปอยู่ที่มะกามีอยู่มาดินามีไปอยู่ที่เมืองโอมานมีไปอยู่ที่ซีเรียมี เพราะเอ็มทำบาปแล้วก็จายคุณไปอยู่ทั่วโลกเลยแลบนี้เป็นต้นนะต่อมาครับวะมัซซัคเนหุมกุลละมุมมัซซัคอัลลอฮฺเพียงครับต่อมาครับอินนาฟิริกะละอายาแท้จริงในนั้นอะไรนะสัญญาที่หันให้มาให้มา 3-4 สัญญาใช่ไหมนามท่วมกว็ดี พี่น้องแยกกันก็ดีแบบนบีอะไรนบียูซุปใช่ไหมละ่ะยูซุปในห่างจากบ้านไปกี่ปีประมาณ3 0มสิกว่าปีนะจุระทั้งเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกระทรวงกษัตริย์พี่น้องมาได้พบหน้ากันเพราะอิจฉาถ้าเอาเรื่องของนบีเก่าๆมาปนวกด้วยนะเข้าใจง่ายเอาล่ะแล้วก็มีคนถามนาบีนวมันจะนบียูซุปบอกว่าชีวิตคุณเป็นยังไง เขาก็เล่านะขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันติดคุกอัลลอฮ์ให้ฉันออกออกจากคุกเรื่องที่สองอัลลอฮ์เมตตาให้พ่อแม่ฉันอยู่อีกเมืองหนึ่งนะ่ะแล้วเข้ามาเมืองอียิปมาพบหน้ากันนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์และได้อีกชายตอนทําให้พี่น้องแยกออกจากกันยูซุฟมาอยู่ที่อียิปม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่กี่ปีประมาณสามสิบปีแต่พ่อเลกว่ายังอยู่ แต่พี่นวังก็ตายแล้วเพราะฝีมือมันน่ะนี่ก็ทำการจะเล่าเหมือนกันเองทํำบาปร้อเล่มเนี่ยมาดที่อัลลอฮ์ให้มาเองไม่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เราเลยจัดแยกกันหมดเลยอย่าให้อยู่เป็นจิมเปีย น, น, นจะมาไปอยู่กระจายไปอยู่ทั่วทัว่จากั้นสี่หประเทศนี่ใช่ไหมาในอาหรับหมดแล้วแหละถ้างว่าคนอาหรับนี่ก็ไม่บาปนะ ถึงได้มีนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายอัลลอฮ์ทุเลิลี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเอาต่อมาครับยกเวน้นอ่ายกเว้นกลุ่มไหนหรู้ไหมที่กลุ่มที่ดีที่อัลลอฮ์ชมอินนาฟีิาลิกะลาอัยลิคุลลิซับบารินชะกูอัลลอฮ์บักบัดยกเวน้นกลุ่มชนที่ อดทนอาซาบ้ า, บาอดทนแล้วก็ชาโกลุนแปลว่ากตันอยู่ตกละ ว, ว่าในกลุ่มซาบะนี่นะส่วนใหญ่เป็นคนเลวแต่คนที่อดทนยืนหยัดอยู่กับอิสลามขอบคุณอลัลลอฮ์มีไหมมีอดทนมีไหมอดทนนะครับแล้วก็ขอบคุณอลัลลอฮ์กลุ่มนี้อลัลลอฮ์ให้เป็นผู้นําคนโลกต่อไปเพราะอิมานอย่างนี้ ฉะนั้นคนที่จะมีอ ي มานได้จะประกาศตัวฉันเป็นมุสลิมมีมต่ออัลลอ์ต้องมีอัครากหนึ่งอดทนถูกดานี่เงียบเงียบบันก็ได้ไม่ต้องตอบทุกเรื่องหรอกสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันต้องอดทนกันน ะ, ะคุยเรื่องนียนิดียนนงนะภรรยานี่นะครับถ้าจะไปนร ก, กนะเอาไปนรกก่อนนะให้ทำสี่ข้อพอแล้ว หนึ่งคำสั่งของอัลลอฮ์มองเป็นเรื่องเล็กๆเตรียมตัวปัญญโรกสองคำสั่งของรอซูนหรือว่าซนะุนนะนบีทำเป็นเรื่องเล็กสคํคำสั่งของสามีที่สั่งให้ทำโน้นทำนี้เล็กฉันเอาอารมณ์ฉันเป็นใหญ่นี่ภรรยานะกลับไปเล่าด้วย <c oughs> ข้อที่สี คุมสามอาีอยู่ใต้อานัตหมดเลยนี่สี่ประการเนี่ยท่านผู้หญิงคนใดนะภรรยาคนใดนะถ้าทำสี่ข้อนี้นะไปนระกง่ายมากเน่งคำสั่งของอัลลอฮฺเป็ น, านาปเรื่องเล็กซุน่านะเบีเป็นเรื่องเล็กคําสั่งของสามีเรื่องเล็กแล้วก็ต้องการที่จะคนโทนสามีอย่าหือนะฉันคุมคนเดียวเรื่องเล็กนี่ระวังนะสี่ข้อนี้นะครับ จะทําให้ไปนระกแบบง่ายได้ถ้าจะไปสวรรค์ทําตรงกันข้ามคําสั่งของอัลลอฮฺแต่ละคําสั่งใหญ่หมดเลยสุนานะนบีแต่ละข้อใหญ่หมดเลยคําสั่งของสามีแต่ละข้อในเรื่องดีใหญ่หมดเลยในเรื่องไม่ดีก็คุยกันเนี่ยพี่สัรอย่างนี้ผิดนะอ่ะอานกับคุยกันแล้วก็ยกย่องสามีให้เกียรติสามีอย่างเงี้ยไปไปสวรรค์ง่ายอันนี้มันแซมันได้ยังไงเรื่องนี้เอาต่อมาครับตกลงว่า มมอย่กลุ่มเดียวนะจะไม่ถูกทำลายอ่าก็คือกลุ่มที่อัลกลให้เนี่ยอมาตมาแค่ไหนพอแค่นั้นแล้วก็อดทนยืนหยัดอยูย่นในความอดทนนั้นแล้วก็ชุกกตรตันเวลามีเนี่ยอมาตมาขอบคุณอัลกลเยอะๆทำดูริลลาขอบคุณมีหลายอย่างนะหนึ่งนึกในใจทมดูริลลาสอนมีเงินเอาควักกันแจกกันจ่ายกันไปน้องแล้วก็นำองค์นมาตต้องรักษาให้ดีนะ นี่เขาเรียกคนขอบคุณอ Allah อายะสุดท้ายนะครับอายะที่ยี่สวะละก็ดอฟัดละก็อัลเลห์มอิบลิสุด้นน้ฟัดตะบอูอิลลาฟริกะมินลมุอมินีออัลลอฮ ว ا ل, إ ل ا ق د صدق عليهم إبليس ظن فتبعوا إلا فرق من المؤمنين อัลลอฮฺประทานความรุ่งเรืองความจริงนจักรนีจักรนีตอกที่อัลลอฮเล่าให้นบีฟังผ่าน n ิบรีนลงมาหานบีเล่าให้นบีฟังมุฮัมมัด เอาไปสอนนะเอาไปดะว่าอุห ม, มาของท่านนะอะไรรู้ไหมวันเราก็จะพูดถังอิบลีสอ่าอิบลีสหัวหน้าอิบลีสรองลงมาใครก็ใช้ตอนกับลูกน้องนะอิบลสเนี่ยหัวหน้าใหญ่เลยบิก๊กบิ๊กบอสอิบลสนี่ตะกี้อิมาอ่านตอนสุโบเนี่ยตออ ต, ตอนเนี่ยเราสร้างมาจากอะไรนะมาจากไฟแล้วก็ยินนสร้างมาจากอะไรเปลวไฟ มลายกาสร้างมาจากรัศมีสร้างมนุษย์มาจากดินรัชตอเ น, นี่ยยินมึงก็คุยอ่ะฉันเน่ยดีกว่ามนุษย์ถามว่าดียังไงก็มนุษย์สร้างมาจากดินฉันถูกสร้างมาจากไฟไฟมันดีกว่าดินอยู่แล้วดูไม่คิดเองอ่ะเนี่ยคิดเองหมดเลยนะใครบอกคุณแล้วว่าไฟดีกว่าดินคุณคิดเองทตนี้มันก็ขอร้องอละล้อ ขอให้ฉันอยู่กับโลกลุญญาใบนี้คู่กับมนุษย์ความรู้ของยินที่ที่ที่มันพูดดิไซตตอนคุยกับลอนเนี่ยไม่ใช่มันรู้มันไม่รู้เรื่องลับของใครหรอกมันเป็นมครคลูกชนิดหนึ่งเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องเก็บๆเนี่ไม่รู้หรอกยินก็ไม่รู้แต่พวกเราเนี่ยชอบเอายินมาเลี้ยงยินกันไว้นึกว่ายินรู้เรื่องความลับน บ, บีสุลมานตายปียังไม่รู้เลยไม่เห็นเ่ะ พลเราเนี่ยหน้าแต่กันนะนเยัยังยั ง, ย ง, ยงพวกเรายังเชื่อยินกันอยู่เล่ด้วยนี่ น, นะขณาถวนาอัาาบดุลามานตายเนี่ยปีนึงแล้วนะมันยังไม่รู้เลยยังทำงานอยู่นั่นแหะอันนี้ตงการจะเล่าว่าอิบลิสเนี่ยมันซ้อนหน้าซ้อนหน้าไปว่าวนะนะคาดคาเน่มันมียากตีนคำหนึ่งแปลว่ามั่นใจกับย้อนหน้ามาถึงคาดคาเน่ ยินนี่มันคาดคะเนอินล่นมันคาดคาดคะเนแต่เป็นการคาดคะเนเป็นเรื่องจริงที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังไม่อยู่เรื่องเดียวที่มันคิดคิดเองอะนะคิดนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ถูกนะมันมันสงสัยเออะไรรูปแบบฉันจะเอ่อทำให้มนุษย์และพงพันธุ์ของมนุษย์ น, นั้นพินาศ ใ ค, ใครที่เดินตามอิบลิชชายตอนนั้พินาศหมดคุณอานอันยาไหนครับยินขออุอาชายตอนขออุอ า, อ, อ, าอัลลอฮฺะละอาตานิกัรนะซุริยัตหูอิลลกอลีลาในสุริอิสรออายะที่62ฉันจะทำให้โพงพันธ์หรือเผ่าพันธ์ของมนุษย์นั้นพินาศสิ้นเชิง อิลากอรีลาเว้นแต่เพียงเล็กน้อยที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เดินตามยินไม่เดินตามชัยตอนเดินตามอัลลอฮ์กลุ่มที่เดินตามอัลลอฮ์ปลอดภัยใครที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีรอสุนนี่แหละคงพันเหล่านี้นะพินาศสิ้นเชิงอีกอายะหนึ่งสุร่ า, ารฟซุมมาละติยันนะฮุมมิมบายนีไอดีหิม วะมิน خ ลฟิ هم و ع ن إ ي م, م, ن م, م ا ن ه ม وعنسماءيلهم ودا تجدوا أكثرهم شاكرين ประกาอาจารย์อธิบายว่าและฉันเนี่ยจะจูโจมเนี่ยยินมันเล่าอิมลิยเล่าเองนะฉันจะจูโจ ม, มนุษย์ทั้งไหนครับทาคคำหน้าของพวกเขาซึ่งซึ่งหน้าจูโจมซึ่งซึ่งหน้านี่ยินนะชายตอนนะ บอกอัลละ์ทั้งข้างหลังของเขาอ๋อนี่ยินนะที่ไหนอกีกว่าอันไอมาในด้านขวาของพวกเขาด้านซ้ายของพวกเขาและจะพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตามฉันไม่เชื่อฉันหลงทางยกเว้นคนจํานวนน้อยที่ชุกโ ต, ต่ออัลละ์สุบฮานูตอลานี่ยินมันพูดนะใซตตอนพูดอิบลิสพูดต่อนหน้าอัลล์เล่าอัลลอฮ์ฟัง ทั้งหมดที่เล่ามานี่เป็นเรื่องจริงอ่าเนี่ยเราเราจะเล่าให้นาบีฟังนะมุฮัมมัดเอ้ยชายตอนะ่ะมันทํำหลายอย่างอนะแต่อยู่อย่างเดียวนะ่ะที่มันคาดคะเนกองมันจะทางบรรลุหลงอันนี้มันเรื่องจริงอ่าดูกรุรอานวาลกอรดัลซดดากอและโดยแน่นอนยิ่งซัดดากอแปลว่าอิบลิสทำให้เป็นเรื่องจริง ซอสแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องจริงอาไลฮิมบนพวกเขาบนมนุษย์อิบลิสตัวอิบลิสซอนนาหูซอนหน้าปฏิบการคาาคะเนนการคาาคะเนนของอิบลิสเกี่ยวกับมนุษย์นั้นว่าฉันจะหลอกมนุษย์ทั้งข้างหน้าข้างหลังั้างซ้ายั้งขวาคนส่วนมากดีนะ จะไม่เคารพอัลลอฮ์จะทรยศต่ออัลลอฮ์ต่คนส่วนน้อยจะพึ่งอัลลอฮ์นะเป็นเรื่องจริงเนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบะีฟังที่ชซตอ์อิบลีตมันคาดคะเนเอาไว้นะ่าเป็นเรื่องจริงทําให้คนหลงจริงไหมจริงวันนี้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยถูกถูกใครลอ้อมถูกใครล้างล้างสมองถูกไซต์อิลี้างสมองจูงสมองอิบลีตล้างสมอ ง, ง, มอ ง, อ ง, มองย้อมสมองเลยไปน้อง วิธีจะยอมยอมคนให้หลงทางนะมีประมาณอยู่มาสักสบหสิบหกข้อเอาแสมเรื่องก่อนคนที่ไม่รู้จักฮารอมกับฮารานง่ายมากเลยแยกแยะระหว่งหางฮาราฮารานไม่เป็นระว่าบิทอาร์กับซูนา่าแยกไม่เป็น ถ, ถูกอิบลีส ย, ยินเล่นงานเลยเรื่องที่สองครับคนที่นึกเอานึกนะประเพณีปฏิบัติของตตโยฮเร์ของแชร์เรานะสาคัญกว่า อ่อน <Allah S 1> แล้วระซูลนีละถูกลอ้อเรื่องที่สามเอาโกรธง่ายอคอนโทรลควบคุมอารมณ์โกรธไม่มีเลยนี่นะอันนี้เข้าทางชาตตอนหมดเลยออีกเรื่องหนึง่งอะไรละ่ะมีเรื่องอะไรแล้เราเสียใจร้องไห้ร้องโฮมเลยนะนี่ก็เข้าทางชาตตอนอีกะฉะนั้นคนที่เป็นมุมิิมนี่นะต้องยืนหยัดกับอัลลอฮ์แบบนบีมุฮัมมัดแบบสราบานบี ต้องดูคนยุคนั้นเป็นแบบเอาอย่างดูนบีเป็นแบบอ่ะถูกไปเมืองตออีฟถูกอะไรนะถูกด่าถูกไล่ถูกขว้างาบีเป็นไงขอทุกอัลลอฮ์จ่าอภัยโทษไอ้ขาด้วยทำได้ปะถ้าเราทีบตัวเราไม่ถึงนะลําบากมากครับท่านดิฉันตอนพูดว่าอัลลอฮ์เล่าว่าชายตอเนี่ยมันค่าคะแนนคนจะเดินตามมันน่ะมันเรื่องจริงอ่าดูนั่นดูต่อไป ว่าล้ก็ดาสดเดาอะไรฮิมอิบลิสโดยแน่นอนยิ่งอิบลิสได้ทำให้การคาดคะเนลอนนาหูของมันนั้นเกี่ยวกับอะัยฮิมเกี่ยวกับมนุษย์นั้นเป็นเรื่องจริงสดเดาบอเป็นเรื่องจริงนี่ต้องระวังตัวแล้วนะแต่วันนี้นะอย่าให้ใช้ทอนอิบลิสมาเข้ามามีอิทธิพลตัวเราแล้วนะ ทานยิ้มร้องประจําเนี่ยลินสุฮานลลออเดลใช้ตอนมันจ้องอ่อลานิเรียที่ใช้ตอนชอบมากคื อ, อยุให้สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันยุให้สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันนี่แหละสิ่งที่มันต้องการมากเลยอต่อมาครับฟัตตาบอวอ่านี่าลเล่าให้น บ, บีฟังนะ ดังนั้นพวกเขาได้ปฏิบัติตามมันใช่ไหมตามไม่ตามตา ม, ตามไม่เรียนศาสนานี่ก็เดินตามสายตอนแล้วไม่ลุกขึ้นธรามเดินตามสายตอนแล้วทะเลาะ ก, กับสามีภรรยาในครอบครัวเดินตามสายตอนแล้วจ้องหน้าผู้หญิงเดินตามสายตอนผู้หญิงจ้องหน้าผู้ชายลอๆเดินตามสาตอนท่านต้องระวังตัวท ล, ลาะเลล ด่ามากๆ ก, ก็เดินตามไซตตอนถ้าเรกระลอยเยอะๆเดินตามนาบีฉะนั้นวางตัวยังไงบุโุษปัญญานี่ไม่ให้ถูกไซตตอนอิบลิสเล่นงานต่อมาครับฟัตตาเบานี่อลัลลอฮ์เล่านะมฮัมมัดนะคนนี่จะตามไซต์ตอนอิลเเวนแต่ยกเว้นฟารีคอนแปลว่านะส่วนน้อย มินนำมุมินีบันดาผูา้ศรัทธากลุ่มบัรดาผู้ศรัทธาตอนนั้นเองที่ปฏิบัติตามอัลลอฮและรอซูลใครที่ไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮฺรซูนประชากรในเยอะกว่าใช่ไนั่นแหละเป็นลูกน้องใครอิบลีชายตอกนะอัลลบิลลลฮิมินซาลิกอัลลอฮอักบรินนองแค่นี้ใน h a ด i s อธิบายอย่างนี้อธิบายบอกว่า ท่านเรดบินอัสลัมท่านอิบนออบาดบอกว่าอิบลิสที่มันพูดบอกว่าคุลิกตูมินนารินฉันนี่ถูกสร้างมาจากไฟแล้วก็สร้างอาดามมาจากดินแล้วก็แล้วก็ไฟนี่จะทำลายทุสิ่งทุอย่างฉะนั้นฉันก็ต้องยุให้ตกนรกให้หมดนอกจากคนที่มีอีมานต่อ a ลล a h อีม ا ن ตรอดซูลที่จะปลอดภัยจากการถูกชาติไซตอนยินลากเขานาก้นรกอันาตรงเรียนใช่ไหมตรงเรียนศาสนาต้องศึกษตถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับต้องระวังตัวให้ดีตลอดเวลาในถึงจะปลอดภัยจากการลงโทษทีนี้วิธีปกป้องไซตตอนก็มีเอาอันนี้อันนี้นำมากับ j ม m อ a h ญาขาดอ่า ยึดกีตาบุลลัดและสุนนะนะสองอย่างให้ดีนะอ่านอูซบิลลาเยอะๆแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องน้าอ่านดูอาเข้าบ้านอ่านดุอาจะร่วมหลับนอนกับภรรยาให้อ่านดุอาก่อนลูกเป็นตุ๊ดนะถ้าไม่อ่านดูานะแล้วก็อ่านซุรอ บ, บาการะกรรเยอะๆแล้วก็ลูกขึ้นนมาตะฮจุดอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็มียเนี่ยดูอาตอนเช้าเนี่ยสิบเก้ทตอนตอนเย็น19บท ต้องนึกประจาอ่านตวาัวนี่เราจะคุมขอกตัวชตอนถ้าสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในหัวใจเราเลยนะเดินตามขายฟัตบ่าเดินตามช้ตอนหมดเลยขอขอตวอ่านตลอดนะครับให้พวกเร า, เาทาตัวของเราเข้าใกล้หลักการอิสลามนะอัลลอฮเราวบิฮัมดิกะซลลอิละอิลลอันตะอัสตัคุรกะวะตูบอิลอัลลาฮฺอาลลอฮฺอัลลอัลฮัลลอลลลลอฮฺอล